ปิดคอสกี่โมงประสาทปิดปิดคอสกี่โมงอวันนี้เลิกแล้วไปแวะพักที่ไหนคนจีนผมชอบผมก็โซทอนเกี่ยวเจ้าวดีที่นั่น วัดนี่เขาเก่งอ่ะหลวงพ่อโสธรองจริงแตกไปวัดตอนสร้างโบสถ์อ่ะเราเศษสร้างเป็นทองเหลืองให้มาแทนไปนตั้งคนไหว้จนชินแล้วนันท่านมีร่างใหม่พอใจสำคัญมั่นหมายว่าองค์นี้เป็นหลวงพ่อโสธรก็เป็นน่ะ องในโบสถ์แตกเลยเป็นปั้นใหม่หน้าตาไม่เหมือนสมัยก่อนออนะผมว่าโสธรดีว่าแตกหลายปีแล้วนะถ้าแตกชากว่เ น, นี้ปั้นออกมาหน้าจะเป็นเกาหลี เรียนกรรมฐานนะตึกสติให้มากต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆให้ได้ถ้าเรียนกรรมฐานเราเก่งเฉพาะตอนเข้าวัดอตอนไปไหว้พระสวดมนต์ปีมื อ, อยังอ่อนเกินไปเราต้องหล่หลอมรวมการปฏิบัติ เข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆให้ได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอะไนเนี้ยมีสติกํากับตลอดเวลาในแต่ละวันถ้าช่วงไหนเราไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ไม่ได้นอนหลับมีโยกเว้นให้สองอย่างในตอนที่ทำงานที่ต้องคิดกับตอนที่หลับ ตอนนั้นจะเป็นเวลาทึ่งปฏิบัติไม่ได้เวลาที่เหลือเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยให้เราพยายามรู้สึกตัวให้มากๆนะจะยืนเดินนั่งนอนจะกินอาหารนะจะดื่มจะทำอะไรจะพูดจะคิดอะไรคอยมีสติกำกับไปเรื่อย ถ้าร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเราคอยรู้สึกถ้าจิตใจมันคิดขึ้นมาคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างคิดแล้วมีความสุขบ้างคิดแล้วมีความทุกข์บ้างคิดแล้วโลภโกรธหลงบ้างอะไรหรือคิดแล้วจิตเป็นกุศลบ้างให้เรามีสติรู้ไปพอมันคิดนะมันเกิดสุขเกิดทุกข์ให้รู้ เกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้เราอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าแบบฝึกวิทยายุทธนะเป็นวิทยายุทธขั้นสุดยอดมันหลอมรวมอยู่ในชีวิตธรรมดาเรานี่เลยถูกย่างก้าวที่เดินมันก็คือการเจริญสติ จะนั่งอยู่ก็เจริญสติจะนอนอยู่ก็มีสติยกเว้นเวลาเราต้องการจะหลับจริงๆนะเราค่อยๆคลายสติออกให้จิตใจผ่อนคลายเดี๋ยว ก, ก็หลับถ้าสติแรงจะไม่หลับไม่ต้องตกใจมันจะไม่หลับไม่ต้องตกใจในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ย ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติไปใจคิดไม่มีสติไ ป, ใ จ, ไปใจเราจะเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้ น, นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดใจเราจะเปลี่ยนอย่างเรามองเห็นตาเรามองเห็นรูปเห็นผู้หญิงสวย ใจเราก็เกิดราคะเกิดชอบ ใ, ใจมันเปลี่ยนเพราะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทางใจก็คือใจมันคิดนั่นเองพอมันคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงให้เรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อ ย, อยนั่นแหละเรียก ว, ว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ถ้ารู้ได้ละเอียดนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุด น, นิ่งรู้สึกจะรู้สึกบ่อยๆตาหูจมูกลิ้นแก่ใจกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเกิดสูกบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างเกิดลบตกรนลงบ้างให้เรารู้สึก ไม่ดัดแปลงไม่เข้าไปแก้ไขให้รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบจะเป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของสมาธิถ้าเราจเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวผ่านวันผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยจิตจะหมดแรงจิตจะหมดแรงปฏิบัติไม่ได้จริง หลวงพ่อภาวนานะตอนเด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบเล่าให้คนจีบฟังปฏิบัติตั้งแต่อายุเจ็ดปีฝึกอานาปนาสติหายใจออกเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อย พอจิตใจมันเริ่มสงบนะการนับมันหายไปเลอแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจไม่นับละคล้าตอนแรกใจเราดิ้นแรงเรามีเชือกมามัดใจเราไว้สามเส้นเส้นหนึ่งคือลมหายใจเส้นหนึ่งพุทโทเส้นหนึ่งคือการนับว่าหายใจไปกี่ครั้งละพอจิตใจเริ่มสงบขึ้นจิตใจไม่ดิ้นแรงนะไม่ต้องมัดมาก หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็พอละพอจิตใจสงบมากขึ้นพุทธโทหายไปเหลือแต่การหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกพอจิตสงบมากขึ้นไปอีกลมหายใจก็หายไปลมหายใจจะตื้นตื้นขึ้นมานะมาอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยเหมือนหายใจอยู่ตัวนี้นิดเดียวสุดท้ายลมหายใจระงับไปคือเราไม่รู้สึกถึงลมหายใจ มักลายเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ไปดูที่แสงสว่างต่อตรงที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยมีชื่อเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอลมหายใจหายไปแล้วกลายเป็นแสงสว่างแสงสว่างเรียกว่าอุคหะนิมิตะสาจินโอ้แปลมีเลยเหรอเก่งจริงอะหนึ่ง คนไทยยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหนึ่งมาแปลให้คนไทยฟังบ้างเพราะเป็นแสงสว่างนะไม่มีลมหายใจไม่ได้ดูลมละร่างกายนานๆจะหายใจทีหนึ่งใใจละเอียดละเอียดเห็นแสงสว่างพอเราอยู่กัแสงจนใจมันชำนาญ น, นะมันกำหนดได้แสงเนี่ยบางทีมันก็ย่อตัวลงนะหดหดหดลงไป เวลาแสงมันหดลงไปเล็กยิ่งเล็กลงไปเท่าไหร่นะความเข้มของแสงเนี่ยยิ่งรุนแรงเมื่อทีก็แสงนี้ขยายใหญ่ใหญ่่ออกไปทีเราช่วยขยายใหญ่แบบพาทิศเลยเราเล่นเ่ยเนี่ยตัวนี้เป็นกระสินเหมือนกันนะสิ่งที่ได้ได้สมถะจิตเราไปตรึกไปคิดนะจิตเราไป จดจ่ออยู่ที่แสงนะเรียกว่าวิตกจิตเราไปคเคล้าเคลียอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นในต่อมาตัวนี้เป็นเส้นทางหนึ่งนะแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะมาเจอตรงนี้หลวงพ่อหลงทางก่อนพอเป็นแสงสว่างแล้วเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอะไรนะแสงมันจะฉายไปเหมือนฉายไปฉายไป ใช้ไปถึงไหนเนี่ยความรับรู้ก็ไปถึงที่นั่นใช่ไหมไม่นิมโอเนี่ยรู้ไปหมดอะ่ะยกเว้นจิตตนเองไม่ค่อยดู <c ười> ใครเป็นนรู้หมดดูของเราบ่อยๆหลังๆนี้ดีขึ้นนะดูของเราได้ทีแรกไปดูของข้างนอกนะตามแสงสว่างไปอยากไปเห็นสวรรค์นนะตัวก็เห็นจริงๆ ไปเห็นจริงๆแต่สวรรค์ที่ไปเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกจิตอาจจะหลอนหลอกสร้างขึ้นมาก็ได้งั้ลวงปูดุลชอบบอกว่าเวลาเห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงก็ได้งั้นไมนมีสาระอะไรเนี่ยจิตออกไปเที่ยวอย่างนี้อยู่พักหนึ่งแล้วก็พบว่าอย่างเทวดานะปลูกต้นไม้ไม่มีดินทำมาก่อนพวกเรา พวกเราก็มาปลูกต้นไม้แบบไม่มีดินนี่เพิ่ยังมาหัดทําที่หลังนะพวกเทวดาไม่มีดินปลูกต้นไม้ได้ใน่ใจออกไปเที่ยวนะสนุกไปเพลินเปนไปแล้ววันหนึ่งนะเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าั้นเราไปดูเทวดานะเขามีของกินน่า ก, กินแล้วก็กินไม่ได้เขามีสวนสวยๆเราก็อยู่กับเขาไม่ได้นะมีบ้านสวยๆเราก็อยู่กับเขาไม่ได้ แค่ไปเห็นของเขาเหมือนไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราไม่ใช่เศรษฐีเราไปอยู่ในบ้านเขาไม่ได้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็เริ่มกลัวว่าถ้าตามแสงออกไปแล้วไปเจอผีจะทำยังไง ร, ราภาพเป็นคนกลัวผีนะดังกลัวว่าสว่างออกไปแล้วไปเห็นผีเนี่ยจะลำบากน่ากลัวก็เลยฝึกใหม่ต่อไปเนี้ยไม่ตามแสงไป หายใจไปหายใจไปไม่ให้ขาดสติจนมันกลายเป็นแสงสว่างแล้วนะก็มีสติอยู่กับการหายใจเนี่ยจิตมันก็เริ่มไปจับอยู่ที่ลมหายจับที่แสงเป็นวิตกเป็นเคล้าอยู่ที่แสงเป็นวิจารเค้าเคลีคลยวนวะนเวียนอยู่กับแสงมันมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้น แล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะเราก็ยังเห็นในจิตมีภาระมากในการที่ต้องไปดูแสงพอเราเห็นว่าจิตมีภาระในการไปดูแสงจิตก็วางภาระลงนะมันก็ทวนเข้ามาที่จิตก็ได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาได้จิตผู้รู้ขึ้นมาได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรก็ฝึกอยี่ย่างนั้นนะรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อย ต่อมามาือยู่ในชีวิตจริงๆนะยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยมีตัวรู้อยู่ตัวรู้เนี่ยอยู่ทุกวันไม่หายะถ้าหายก็หายสั้นๆเดี๋ยวก็กลับมาแล้วฉะนั้นตัวรู้เนี่ยเข้มแข็งเด่นดวงอยู่ทั้งวันตอนหลังไปเจอครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่สินท่านเลยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายานะคาะว่าผู้รู้ฉายาก็คือจิตมันเป็นผู้รู้อยู่โดยที่เราไม่ได้เจต น, นาเลย นั่นเป็นกำลังที่เราได้สร้างสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีในหลวงพ่อฝึกสมาธิให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยยี่สิบสองปีไปต่อไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงได้คิดแต่ว่าถ้าหากทำสมาธิมากๆแร้ววันหนึ่งคงบรรลุมากคผลนิพพานทำยี่บสองปียังไม่บรรลุมากคผลนิพพานเลย ก็สงบอยู่แค่นั้นเองรู้เรู้ตัวอยู่แค่นั้นเองไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสุขได้แต่ความสงบไปดูนะหนังสือธรรมะเห็นครูบาอาจารย์สอนพิจรารณาร่างกายเลยเอามาลองพิจารณาบ้างดูไปที่ผมจิตมีสมาธินั้นดูไปที่ผมผมยาวนะก่อนไม่ใช่ผมสั้นแค่นี้ผมเท่าพวกเราเลย ดูไปที่ผมปุ๊ผมสลายตัวเลยกำลังสมาธิมันแรงไม่มีผมละเห็นแต่หนังศีสันดูไปที่หนังศีสษนหนังศีรษะหนังหัวเราหายไปเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกนะหัวก็ะโหลกขาดไปเลยข้อขาดไปเลยกำลังของสมาธิมันแรงดูไปที่ไหนนะแตกที่นั่นเลยหัวขาดไปไม่มีไม่มีหัวหัวหายไปแล้วเหลือแต่ตัว ดูลงมาที่ตัวอีกเนื้อหนังนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะั้นระเบิดเปรี้ยงเลยระ เ, เบิดเป็นก้อนกรวดเล็กๆตกอยู่ที่พื้นดูลงไปอีกที่ก้อนกรวดนะั้นมันสลายตัวเป็นแสงแกลายเป็นแสงสว่างสลายกระจายเต็มโลกธาตุไปหายไปแล้วพระจิตมันทวนกลับเข้ามา เนี่ยใช้เวลาดูเนี่ยไม่กี่นาทีอ่ะกำลังสมาธิมันแรงมากไปดูร่างกายร่างกายระเบิดเลยก็ไปต่อไม่เป็นอีกไม่มีร่างกายแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวพอกลับมามีร่างกายเนี่ยขันของหลวงพ่อแยกอัตโนมัตละเพราะมันรู้ว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนี่มันขยับขึ้นมานิดหนึ่งแล้วขยับขึ้นมานิดหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ว่านี่คือทางปฏิบัติ ก็ไม่มีครูบาอาจารย์สอนตอนที่ไปเรียนอนานตสติเองกับท่านพอลีตอนนั้นปีศูนย์สองเนี่ยอายุเจ็ดขวบประมาณปีศูนย์สี่หรืออะไรเนี่ยท่านก็สิ้นไปยังไม่ได้เรียนมิปัสนาเรียนได้แต่สมาธิก็เลยทําทแต่สมาธิอยู่อย่างเนี้ยี่ิบสองปีมีจิตเป็นผู้รู้เห็นร่างกายทํางานจิตเป็นคนดูอยู่ แต่ว่าไม่ได้มองในมุมของไตรักษณ์ไม่ได้เห็นใจรักณเห็นแต่ว่าร่างกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งเห็นอยู่แค่เนี้ยตรงที่เราแยกรูปนามได้เนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะตรงที่แยกรูปนามได้เนี่ยในตําราเรียกว่านามรูปปริเฉทยานนามรูปปริเฉทยานนี่ก็คือมีปัญญาแยกรูปกับ น, นามออกแยกกันได้ร่างกายกับใจแยกออกจากกันยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็น รูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเกิดดับเป็นไตรลักษณ์หรืจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ได้ทำวิปัสสนาแต่ว่าแยกรูปนามได้แยกได้ก่อนเจอหลวงปู่ดูลย์มาปีสองสี่สองพันหรอยยี่สิบสี่เจอหนังสือพระเครื่องของหลวงปู่แหวนวัดสัมพันธวงศ์พิมพ์ไว้ ในหนังสือเนี่ยตอนท้ายในมันมีหน้าว่างๆอยู่หน่อยครึ่งหน้าอย่างนี้เาเอาธรรมะของหลวงปู่ดูลมาลงธรรมะที่บอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างเขีมแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างเขีมแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มบันไหวก็เป็นสมุทัย ผลที่จิตสรงออกนอกแล้วก็เพิ่มบันไหวตามอารมณ์นะเป็นทุกข์ถ้าจิตสรงออกนอกแล้วนะไม่ก็เพื่อบันไหวมีสติอยู่นะเป็นมักผลที่จิตสรงออกนอกแล้วไม่ก็เพื่อบันไหวมีสติอยู่ก็เป็นนิโรธเป็นตัวผลตรารยาเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่สรงออกนอกมีจิตไม่ก็เพื่อบันไหว né? มีสติบริบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่ จบอริยสัจว่าอย่างั้นพอเราอ่านแล้วเราสะเทือนใจมากเลยสะเทือนก่อนหน้า น, นี้ได้เห็นแต่ธรรมะที่ว่าดูกายดูกายตูจนกายระเบิดแล้วไม่เห็นได้มีอะไรขึ้นมาะดูแล้วมันสิ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่พอมาเจอธรรมะอันนี้นะเฮ้ยทาไมพระงงางค์นีสอนแปลกสอนเข้ามาที่จิตไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนเข้ามาที่จิตเลยสักองค์เดียว เพราะในยุค ก, ก่อนมีแต่กายทั้งนั้นนะท่านพุทธทาสก็ทำอนาปนสาาติก็กายหลวงพ่อเกียนขยับมือก็กายอาจารย์โชโดเจ้าคุณโชโดกก็สอนยุบหนอพองหนอมันก็กายอีกวัดป่าพระพุทธโทแล้วก็พิจารณากายอีกจะมีองค์เนี้ยประหลาดสอนเรื่องจิตจิตส่งออกนอกนมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นไง แต่ว่ารู้สึกว่าธรรมะนี้ยมันประทับใจมันกระเทือนใจเราอยากเรียนแต่ว่าไปถามคนเขาว่าตอนนั้นเขาใช้ชื่อพระรัตนากกรวิสุดธนะเราเที่ยวถามว่าพระรัตนากกรี่สุด์เนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนถามอยู่นานนะได้ความว่าคือหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกหลวงปู่ฟั่นนั้น มรณภาพตั้งแต่ปีสองสามเนี่ยตปีสองสี่เราพูดถึงหลวงพู ด, ดูลาคงสิ้นไปแล้วก็วเลยสิ้นหวังว่าไม่ได้เจอท่านคงมรณภาพตายไปแล้วจนกระทั่งต้นปีสองห้านะคนมาบอกว่าท่านยังอยู่ที่สุรินไปขึ้นไปหาท่านไปหาท่านท่านกะสอนไปบอกท่านบอกผมอยากปฏิบัติ ท่านก็หลับตาเงียบๆนะเกือบชั่วโมงลืมตาให้มันก็สอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองได้ต่อไปก็จะเข้าใจอริยสัจแห่งจิตเข้าใจไหมท่านถามเข้าใจไหมเข้าใจครับ ตอนนั้นปลื้มมากเลยเจอท่านแล้พปลืม้มท่านถามเข้าใจไหมเข้าใจประหลาท่านน่ะนั่งรถไฟกลับมาโคราชมันจะมาหาแวะกลับหลวงพ่อพุธไปหาหลวงปู่ดูอีกครั้งแรกก็ไปกลับหลวงพ่อพุธครั้งแรกมันทางผ่านไหนไหนก็ผ่านละตอนรถไฟเคลื่อนออกจากสุรินทร์ตกใจเพิ่งดเดขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูจิตจิตเป็นยังไง จิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูจะดูอย่างไรไม่รู้สักเรื่องหนะึงแล้วแานไปบอกท่านว่าเข้าใจแล้วท่านบอกให้ไปดูจิตตัวเองจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับจิตตกใจพอตกใจหลวงพ่อทํำไงตกใจนะหลวงพ่อทําอะไรไม่ถูกละหลวงพ่อกลับมาหายใจ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทใหม่อันเนี้ยเป็นหลักของการปฏิบัติเลยนะถ้าเราปฏิบัติอะไรไม่ได้เราทําสมถะไว้ก่อนะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นหลวงพ่อทําอะไรไม่ถูกแล้วตกใจหลวงพ่อกลับมาทําสมถะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตสงบลงมาใช้เวลาไม่นานเพราะเราเล่นอยู่ทุกวันเนีม่มาเข้าที่ได้ทันทีดูทันไหม ไม่ทันเนเสียชื่อพอจิตสงบแล้วนะถอนจิตออกมาแล้วก็พิจารณาว่าท่านให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้จิตจะไม่อยู่ข้างนอกจิตจะไม่อยู่ที่ท้องนาจิตจะไม่อยู่ที่ต้นไม้ข้างทางจิตจะไม่อยู่ที่พื้นดินจิตอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูจิตเนี่ยต่อไปนี้เราจะรู้ คอยรู้อยู่ในร่างกายนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันเหมือนบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านร่างกายเป็นบ้านเราหาจิตไม่เจอเรามาดูร่างกายไว้ก่อนคล้ายๆเราอยากเจอเจ้าของบ้านแต่เรายังไม่เจอมันไม่รู้ว่าเข้าไปเที่ยวที่ไหนเรามาเฝ้าหน้าบ้านไว้เฝ้าไว้วันหนึ่งมันก็กลับบ้านเราก็จะเจอเจ้าของบ้านงั้นเราดูจิตยังไม่เจอเราก็รู้อยากเกิดกายออกไปอยาลงเกิกายออกไป นี่ก็เป็นกฎของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะคอยรู้สึกอยู่ในกายในใจของเราอย่าให้เกินร่างกายออกไปอย่าเที่ยวดูออกข้างนอกเะฉนั้นอย่างเรานั่งสมาธิแล้วจิตสว่างแล้วดูออกข้างนอกนี่ผิดกดข้อนี้คือมันเกินร่างกายออกไปใช้ไม่ได้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็รู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายจิตอยู่ที่ผมหรือกําหนดลงไปที่ผมดูลงไปที่ผมนะผมก็สลายตัวไป ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรืออยู่ที่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแนะล้วไล่อยู่ในร่างกายเนี่ยทั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ ล, ลงจะหาจิตว่าจิตอยู่ที่ไหนในร่างกายรู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่มันอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอเอดูลงไปในกายเนี่ยหาจิตไม่เจอหรือว่าจิตอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์นะ เราดูไปที่ความรู้สึกสุขก็ทำสมาธิจิตมีความสุขแล้วดูลงไปดูจนความสุขดับไปนะเป็นอุเบกขาก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาดูลงไปในอุเบกขาก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาอีกถอยออกมาคราวนี้นั่งไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเลยนะนั่งจนป็นปวดมันเมื่อยเต็มที่เลยแล้วดูลงไปที่ความปวดความเมื่อยว่ามีจิตไหม นั่งอยู่มันชาไปเลยนะแข้งขาชาไปหายปวดไปล้ไม่มีจิตโผล่ขึ้นมาจิตไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกสุขทุกข์จิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตไม่ได้อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์หรือจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้นะเที่ยวคลาไปเรื่อยว่าจิตมันอยู่ที่ไหนหรือว่าจิตอยู่ในความคิดเราก็เจตนาคิดเลยคิดโปรดสวดมนต์ พุทโธสูธุโรโธกรุณามหัน n a v o พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาต่างพวกมหันนบพอคิดพุทโธสูธุโรโธนะมันเห็นความคิดเนี่ยไหลขึ้นมาจากความว่างๆกลางหน้าอกพุทโธสูธรุรโธกรุณามหั a โ a v o ไหลไหลหลแล้วสลายไปพุทขึ้นมาจากความว่างนะกลางหน้าอกเนี่ยพุ่ขึ้นมาแล้วก็สลายไป พอเราเห็นความคิดผุดขึ้นมานะแล้วสลายตัวไปทันตัวรู้เกิดขึ้นมาทันทีเลยจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดเนี่ยหลภาพค่อยๆคลาคลำคลำมานะพอรู้ทันจิตคิดปุ๊บนะเราพามันคิดเลยพุทโธสุสุโธพรานามหานโมแล้วรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะไม่เหมือนกันรู้ว่าจิตคิด เราจะพบผู้รู้ถ้ารู้เรื่องที่จิตคิดเราจะหลงะไม่เหมือนกันเรื่องที่จิตคิดเช่นคิดเรื่องนี้สนุกสนานเรื่องนี้คิดแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยนะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไปได้ใจฟุ้งซ่านแต่ถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดจิตจะดิดตัวพามาเป็นผู้รู้ทันทีเลยนะจิตจะส่งสมาธิโดดเด่นขึ้นมาพอตัวนี้โผล่ขึ้นมาเราเฮ้ยไอ้นี่มันตัวเก่า คือตัวที่เราได้มาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเราทําสมาธิะนะมันก็ได้ตัวรู้ตัวนี้มานะเพราะงั้นสบายมากเลยทีเนี้ยเราจะรักษาตัวรู้นี้ไว้ตัวนี้ผิดนะตัวนี้ผิดนะที่จะรักษาตัวรู้ไวนะ้บางทีจิตมันก็ไหลลงไปไปจับอยู่ที่อารมณ์เป็นก้อนขึาา้นมะาเราหาทางแก้ไขนะเพ่งจนระเบิดเลี่ยงเลยนะระเบิดแล้วจิตก็หลุดออกมาแหมสบายเดี๋ยวเข้าไปจับใหม่นะ คันนี้เพ่งยังไงก็ไม่แตกล้วกาหนดจิตนะเหมือนมีดเลยเฉือนเฉือนเือนเฉือนมันสลายตัวไปหมดนะจิตรูดออกมาอีกนะทําอย่างโ น, น้นทําอย่างนี้บางทีทําจิตเหมือนเข็มนะแทงแทงเหมือนลูกโป่งเลยแทงแทงแทงนะถ้าถูกมุมมันระเบิดโป้งเลยนะเนี่ยหาทางที่จะให้จิตโดดเด่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเซื่อมากเลยถ้าอยากทําตรงนี้ก็เข้าสมาธิสินะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางนะ เราลักในสุดจิตเน่าเด่นดวงอยู่ทั้งวันไม่ลงไปเกาะล้วจิตเด่นอย่างนี้สามเดือนไปหาหลวงปู่ดูลบหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้ดูได้ทั้งวันเลยหลวงปู่มองหน้าพลาดนะยังไม่ได้ดูจิตเนี่ยไปแทรกแสงจิตแทรกแสงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปฝึกซะมันไม่คิดนึกปรุงแต่งแล้วมันอยู่ว่างๆส ว, งว่างว่างๆอยู่เฉยๆไปทําใหม่ทําผิดแล้ว ให้ไปดูจิตให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างให้สว่างเราเวรแล้ฝึกตั้งสามเดือนะทําผิดอีกแล้วไปรักษาจิตยอยู่เฉยๆคราวนี้เอาใหม่ท่านบอกว่าให้ดูนึกถึงเราดูหนังสือย <c oughs> ังเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่ได้แต่งหนังสือใช่ไหมอ่านหนังสือเนี่ยคนอื่นเขาแต่งมาแล้วเรามาเป็นคนอ่าน เราก็ไม่ใช่คนวิจารณ์หนังสือไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีเราเขาไม่ได้จ้างให้เราวิจารณ์เรามีหน้าที่อ่านเท่านั้นเองจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาเราเห็นจิตมันทํางานไปนะเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆดูจิตมันทํางานไปนะไม่เข้าไปบังคับมันไม่ไปปรุงแต่งมันว่าจะต้องดีจะต้องสุขจะต้องสงบถ้าเราพยายามแต่งจิตให้ดีให้สุขให้สงบนะอันนั้นแทรกแซงจิต จิตดีก็รู้ว่าดีจิตเร็วก็รู้ว่าเร็วจิตสุบรู้ว่าสุขจิตไม่สุขนะก็รู้ว่ามันไม่สุขจิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราดูจิตดูจิตไม่ได้เข้าไปแทรกแซงจิตแต่ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลวงพ่อมาตามรู้ตามดูอย่างนี้นะเห็นราคะเกิดแล้วก็ดับไปโทสะเกิดแล้วก็ดับไป อันนี้ค mm. ือการเห็นสภาวะธรรมเกิดดับด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอยู่ที่แรกไม่เป็นกลางราคาเกิดก็ไม่ชอบโทสะเกิดไม่ชอบถ้ากูสนเกิดแล้วชอบความสุขเกิดแล้วชอบนะความทุกข์เกิดแล้วไม่ชอบเนี่ยมีชอบมีไม่ชอบอยู่างเงี้ยทั้งวันะรู้ทันไปเรื่อยนะในสุดจิตเป็นกลางนะมีความสุขจิตก็แค่รู้ว่าเป็นสุขจิตก็เป็นกลางกับความสุขมีความทุกข์จิตก็รู้ว่ามีทุกข์จิตก็เป็นกลางกับความทุกข์ ฝึกอย่างนี้อยู่สี่เดือนนะวันหนึ่งออกจากที่ทํางานมาพายุพัดนะอายุกําลังเข้ามากรุงเทพตึงตังโครงครลำฟ้าก็ผ่าเรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ย ง, ยงน่ากลัวมากนะลมนี้แรงมากเลยกลางร่มอองมาจากที่ทํางานนะลมมันพัดล่มขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะพับพังเลยแล้วก็เก็บใช้ไม่ได้ตากฝนเก็บหมดทั้งตัวก็เลยเข้าไปนั่งอยู่ที่วัดสมณนัตมิหาร พิที่กุฏิพระตอนนั้นพงเชตไปบวชอยู่ที่นั่นเราก็ไปอยู่ที่กุฏิเขาตัวเราเปียกหมดทั้งตัวนะเป็นเลยไปนั่งแบบชมพูตอนนี้ย น, นั่งกอดเข่าเพื่อไม่ให้น้ํามันกระจายกว้างเกินไปให้น้ํามันหยดอยู่เฉพาะที่เดี๋ยวตอนเราลุกเราเชดทีเดียวไปนั่งหลบฝนอยู่เจ้าของห้องเขาบอกเขาจะไปส่งน้ําเออไปเราอยู่คนเดียวเราเห็นใจที่กงังวล ว่เปรียบฝนอย่างนี้เดี๋ยวต้องเป็นวัดพอใจมันกังวลเราเคยรู้ทันจิตอยู่สม่ำเสมอแล้วใจกังวลปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยนะความกังวลดับไปเลยความกังวลดับนะจิตมันรวมโลกระท่านดับไปเลยนะแล้วจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปของมันเองเราไม่ได้ทำอะไรจิตมันอุทานขึ้นมานะจิตไม่ใช่เราเนี่ยจิตไม่ใช่เราเนี่ยพอผ่ า, านตรงนี้ไปแล้วนะ่ะก็ไปหาโลวงปู่ ด, ดุล ท่านก็บอกว่าพึ่งตัวเองได้ละพึ่งตัวเองได้ละแ้จิตไม่ใช่เราเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยท่านรอให้ปฏิบัติไปเพนั้นหลวงพ่อภาวนามานี่นะใช้การสังเกตมาตลอดเลยไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะไปเรียนจากครูบาอาจารย์มาท่านบอกให้ดูจิตเที่ยวหาจิตหาจนเจอว่าจิตถ้าเรารู้ว่าจิตจิตนะจิตรู้เขาจะเกิดขึ้น พอได้จิตรู้แล้วก็ไปทําผิดคือไปรักษาจิตรู้อย่าไปรักษามันปล่อยให้มันทํางานเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตคิดไม่เป็นไรปล่อยให้มันทำงานแล้วเราตามรู้ไปเราก็จะพบว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็เพ่งหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันจะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา เราจิตไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราหรอกค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปะฝึกไปเรื่อยๆนั้นธรรมะจริงๆไม่ได้ยากนะทําอะไรไม่ได้ทําความสงบไว้ก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่สุวันะท่านเล่าบอกว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําสมถะทําความสงบไปพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยก็มีแรงแล้วจะกลับไปดูได้นี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะถ้าดูจิตได้นะเห็นจิตมันทํางานได้ดูมไปเลยะถ้าดูไม่ได้ดูร่างกายไว้กายเป็นบ้านของจิตดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมีแรงก็กลับไปดูจิตได้หรือบางทีดูกายไปแล้วหมดแรงไปอีกกลับมาทําสมถะ เ, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้แต่จิตจะมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ดูต่อนี่หลวงพ่อพลาดหลายตัวที่แรกัวแต่ตามแสงออกข้างนอกนี่เสียเวลาไม่เกิดอะไรขึ้นเอาย้อนกลับมาไม่ให้เกินกายออกไปคอยดูอยู่ในใกายในใจของเราจิตมันไปต่อได้เกิดปัญญาได้ค่อยภาวนานไปเรื่อยๆนะ่อยฝึกไปเรื่อย ไม่มีใครทำมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นะไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้ตัดคำว่านิพพานออกนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้มรรคผลเกิดเองเมือ่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ถ้าสติของเราสมบูรณ์งั้นเรามีสตินะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปะกินดื่มทำพูดรู้สึกไป ใจมันคิดรู้สึกไปคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกคิดแล้วดีคิดแล้วร้ายรู้สึกไปรู้ใจคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ่จำหลักให้แม่นๆเอาไปทวนไปฟังนะอัดเสียงไว้เดี๋ยวเ้าก็อัดให้แหละแล้วก็อาไปฟังเอาแล้วก็ไปปฏิบัติเอาอนิมนต์หน่อยครับ<ม>เชิญไปทานข้าวเชิญกรรมการคุณมาลีเป็นได้เข้าได้ เป็นบันรไหมถ้าไม่เป็นก็นเชิญนั่งก็ยิน